เต <IP> ัวฟังอะไรฟธรรมนะโมตัสสะพคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคารวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพังคารวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังฆลา อุปดาวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุต ส, สันติเตสังวุปะสะโมสุโคต่อไป น, นี้ก็จะบรรยายทำเล็ก ๆ, ๆน้อยๆพอหอมปากหองคอเพื่อเป็นความรู้ไปประดับสติปัญญาของเราท่านทั้งหลายพูดว่าอนาิจาวัตสังฆา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุ ป, ปาดาวิยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุ ป, ปชิตวานิรุสันติแล้วก็มีความนะดับไปเป็นธรรมดาเตสังโวปสโมสุขโขผู้ใดอ่ามาลู้เท่าขันห้าเตสัง นิวรณ์ธรรมเตสังบูปะสะโมสุโ ข, ขผู้ใดมาดูเท่าขันห้าละวางขันห้าดับขันห้าได้ก็เป็นสุขอย่างนี้สังขารก็คือนี่แหละอนิจจาอานิจจังสังขารก็คือร่างกายและจิตใจนี่แะมาประกอบกันเข้าสังขารแปลว่าสิ่งผสมพวงแต่ง มาประกอบกันเข้าก็เลยเรียกว่าสังขารมีร่างกายและใจิตใจนี่นะมาผสมกันแต่พอกายก็มีดินน้ำลงไปอากาศใจก็คือนาำคือญาณนั่นแหละมาลงมาผสมปรุงแต่งกันจึงเรียกว่าสังขารหมายถึงสิ่งสังขารแปลว่าสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอะไรก็ตามนะตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป มาผาสมปรุงแต่งกันขึ้นเพราะพระองค์เรียกว่าสังขารอย่างขันห้าของเราเนี่ยนะมีธาตุดินธาตุน้ำลมไฟอากาศมาปรุงแต่งกันขึ้นส่วนตัวเราก็คือวิญญาณวิญญาณลงมาปฏิสมพันธมาผาสมมาอาศัยอยู่ใน ถ้าในขันนี้จเย็น ว, ว่าสังขานสังขานไม่เที่ยงคือมันแต่ปวนเปลีป่ยนแปลงอยูอ่ไม่มีวันจบวันสิ้นมันไม่เที่ยงก็หมายถึงพูดย่อๆก็หมายถึงกายกับใจนี่แหละคือสังขานไม่เที่ยง คำว่าไม่เที่ยงก็คือมันแปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันตลอดคืนซึ่งเราท่านทั้งหลายไม่เห็นหรอกถ้าไม่พิจารณาดูจริงๆไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงหรอกขันห้านี่แหละแต่พอลูกของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเป็นเล็กนอนแบะเบาอยู่ต่อไม่มากกว่าเปลีวน เปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหน่มสาววัยชราลงมาอย่างที่นั่งอยู่ด้วยกันหมดหนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงอยู่นอนหลับมันก็แปลสภาพอย่างนั้นแปลปวนอย่างนั้นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ แต่สภาพูีอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็อนัตตาไม่อยู่ตาท้ายใจบังคับบัญชาของใครส่วนต่างๆไม่เชื่อก็ลองดูอย่างเล็บมือของเราเนี่ยแป่เปลี่ยนอย่างนั้นตัดออกแล้วก็ยืดออกมาอีกผมของเราก็เหมือนกันแป่ควรอยู่อย่างนั้นเราไม่เห็นว่า มันเป็นอะไรดูไม่ชัดดูไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่ามันแ ป, ปนเปลี่ยนแปลงไปนะนี่แหละสังขารนะมันมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเข้าใจคาว่าไม่เที่ยงกับอันนั้นประกอบกันนะจะรู้ว่าไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูอย่างเดียวก็เข้าใจกันไปหมดนะเนี่ยว่า ใจักยาลูกลักษณะอันใดอันหนึ่งก็มองทะลุ ก, กันหมดอัพูดพูดเรียงสังขารนองอันนี้สังขารคือร่า ง, งกายส่วนจิตใจของเราก็เหมือนกันสังขารจิตมันหมุนอยู่ตลอดคืนตลอดวันนะถ้าเห็นลูกมันก็หมุนมันก็จิตมันก็เกิด มาลู้ว่าลูกนั้นลูกนี่เสียงนั้นเสียงนี้ขึ้นมาอย่านแล้วก็ดับลงแปลปวนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันใหม่อีกหูได้ยนิยนเสียงก็ไปบอกใจใจก็เกิดอารมณ์รักจังขึ้นมานะนี่เปลี่ยนหมุนอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าขันห้ามันแปลปวนเปลี่ยนแปลงอย่อยางนี้ เกิดขึ้นอุปคตาวยธ ร, รมิโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนะเกิดขึ้นเองเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรและดัดแปลงมันแก่เองมันเท่าเองจิตมันก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันแป่ปวนเปลี่ยนแปลงอยู่นอกจากเวลานอนหลับเท่านั้นกายถึงเะได้พักจิตถึงจะไพับนี่พูดเรื่องสังขารหรือร่างกายจิตใจของเรานะ บางทีท่านก็เรียกว่าโลกนะสังขารโลกคาว่าโลกก็คือหมายถึงโลกแบ่งออกเป็นสองอย่างอยากจะให้เข้าใจคาว่าโลกโลกครับโลกแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งโอกาสโลกสองสัตว์โลกโอกาสโลกก็คือดินน้ําลมไปอากาศธาตุห้าอย่าง ยว่าโอกาสโลกส่วนวิญญาณคือจิตใจของเราเขาเรียกว่าสัตว์โลกเมื่อเราเกิดใหม่ๆมาอาศัยดินอาศัยดิ น, อ า, ดนอาศัยน้ําจากพ่อจากแม่ของเรานั่นนะพ่อแม่ของเราล่วมสังวาสกันธาตุดินก็คือพ่อธาตุพ่อธาตุน้าก็คือธาตุแม่มา สมพบกันพ่อแม่ร่วมเพศกันร่วมสังวาสกันตัวเราคือใจลงมาปฏิสนธิอยู่ในคันของแม่นี่แหละอาศัยความอบอุ่นในร่างกายของแม่อาศัยลมหายใจจากลมหายใจของแม่เข้าไปหล่อเลี้ยงนะเราอยู่ในท้อง น, ะนี่มันมันเป็นอย่างนี้โอกาสโลกในะน้ามลมไฟอากาศ เรียกว่าโอกาสโลกส่วนวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกก็มาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกโอกาสโลกก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกบัญญัติธรรมกันมามาสอนโลกโลกก็คือคนนั่นแหละโลกก็คือขั้นห้านั่นแหละกายกับใจนั่นแหละบางทีท่านก็เรียกว่าโลก บางทีก็เรียกว่าคนบางทีก็เรียกว่าแซทบางทีก็เรียกว่าเราบางทีก็เรียกว่าเขาก็เรียกอันเดียวกันนี่แหละอันนี้นี่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเรื่องต้นแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนไปในที่สุดเสื่อมสลายตั้งอยู่ในท่ามกลาง เสียมสลายมาลายศูนย์ในที่สุดขันห่ามันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดมารู้เท่าขันห่ารู้เท่าเอาทันขันหน่ารู้แจ้งจึงขันห่าว่าขันห่ามันแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ยางนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครแล้วก็รู้ว่า ขันห้ามันเกิดกับดับร้อมกันอย่างนี้ไม่มีใครไปถือเอามันเป็นทุกข์มันอ่ามันอยู่อย่างนี้ให้พากันพิจารณาดูขันห้านี่ยเมื่อผู้ใดมารู้เท่าขันห้ารู้เท่าเอาทันขันห้าก็ดับขันห้าได้ดับขันห้าได้จะเรียกว่าพระนิพพานก็ได้พูดย่อๆให้ฟังว่าขันห้าไม่เที่ยง ม, มันเสื่อมสลายมาลายศูนในที่สุดเกิดขึ้นในเบื้องตน้นจะเลนในท้ากลางเสื่อมสลายมาลายศูนในที่สุดให้พากันเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นอยู่เช่นนี้ถ้าผู้ใดมารู้แจ้งซึ่งกันท่าว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสัตว์บุคคลโตโตนอยู่ในนั้นนั่นแหละ ก็ดับขันห้าได้เรียกว่าเตสังวุป ส, สโมสุโขก็ขจะเข้าถึงสุขอันบร ม, มสุขหรือพระนิพพานถ้าดับขันหาได้พ่อเข้าใจเวาลาขันหามันขันหาเขาคือกายกับใจลู ก, กับน้ำรูปหนึ่งน้ำสีขันที่ว่าขันห้ามันเกิดมันดับมันอาศัยวิ ญ, ญญาณมามาอยู่ใน กายของเราเนี่ยแหละมันก็มาอาศัยตาหูจหมูกลิ้นนี่นะเป็นทวารเป็นทางเดินของเขานะให้เข้าไปเวลาเราตาเห็นดวงหูได้ยินเสียงมันก็จะเข้าไปบอกจิตจิต ก, ก็จะเกิดออกมารับอารมณ์นี่ขันหา่าเดียกว่าเวทนาเมื่อรับอารมณ์แล้ว มันก็นำเอากอจําอารมณ์นี้ได้เ็าเรียกว่าสัญญาเมื่อมันเอาอารมณ์สัญญาไปปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารคิดอันนั้นอันนี้ปรุงแต่งว่าอันนั้นอันนี้ความรูก้เกิดขึ้นเ็าเรียกว่าวิญญาณนี่แลนั่งอยู่นี่ละขันหา้าค้นมาหักขันหาแท่งขันหากอดเอาขันหาพ่ามีทีสินสุดพเพราะว่ า, วารู้จักว่าขันหามันเป็นกล่องทุกข์ก้อนทุกข์ เมื่อนี่แหละความทุกข์นี่แหละมีความเกิดเป็นความแก่ความตายอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะเกิดแก่เกิดตายนั่นอยู่เราไม่มองเห็นจะยกตัวอย่างให้ฟังที่มันเกิดมันตายยังไงสังเกตดูลมหายใจเราก็ได้นะสังเกตดูลมหายใจเวลาลมหายใจเข้าก็เรียกว่า เ, เวลาลมหายใจออกก็เรียกว่าตายเพราะว่าลมหายใจนี่มีวิญญาณอาศัยอยู่ในลมนั่นละเวลาลมเข้าไปในท้องเราก็เรียกว่าเกิดเวลาลมหายใจไหลออกมาทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งที่ปลายจ ม, มูกก็เรียกว่าตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ นี่ละมันมันมันไม่เที่ยนคือมันเกิดขึ้นแล้วตายดับลงเลยนะดูง่ายไหมเละที่นี่เห็นขั้นห้าเกิดตายไหมพอรู้จักขั้นห้าไหมอ๋ขั้นห้าออนี่แหละพระพุทธองค์จึงให้เรามาปฏิบัติเพื่อรู้เท่าเอาทันขั้นห้านะท่านจึงบัญญัติอริยสัจสี่ขึ้นมา เรียกว่าทุกสมุทัยนี่โลดมักเนี่นะเป็นธรรมอันประเสริฐพระพระเจ้าตรัสรู้อริยรสัจสี่นี่แหละพอได้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนสัต์โลกมาสอนโลกโลกก็คือคนเราเนี่แหละให้รู้เท่าเอาทันขั้นห้ายังเอา แนวทางเพื่อปฏิบัติเพื่อรู้เท่าอัธขันหาก็คือมักมีองแปดเคยได้ยินว่ามักมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แล้วทางดำเนินเดินออกจากทุกข์ คือสติปัญญาทุกทั้งหลายก็ย่นย่อมาดูขันห้านี่แหละออกจากทุกขก็ออกจากขั้นห้านะี่ออกจากขั้นห้าด้วยความรู้เท่าเข้าใจจึงจะออกได้จึงจะละได้วางได้วางขันห้านั่นนะนะที่นี่ศีลท่านก็กําหนดขึ้นมามีศีลห้ามักขัน้นศะีลนะมีศีลห้า ศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดนี่ยศีลห้าก็เป็นศีลของฆราวาสญาติโยมนะเป็นต้นของศีลเป็นลาเงาของศีลศีลแปดก็เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันศีลสิบเป็นศีลของเนรศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นศีลของพระนะพระศีลสองรอยี่สิบเจ็ดแต่ท่านก็ บัญญัติออกจากศิ้นห้าเนี่ยบัญญัติออกจากขันห้าเนี่ยนะสีน้นะสิน้นห้าก็ข้อที่หนึ่งสองสามเนะีก็บังคับพวกคุมกายของเราฆนะ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกางสิ้นห้าก็คุมกายของเราเนี่ไม่ให้ไปเอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาง บัญญัติขึ้นมาควบคุมกายสาข้อข้อที่สี่ก็บัญญัติขึ้นมาควบคุมวาจาไม่ให้พูดปวดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดไ่วยเจอเลวไหลไร้สาระข้อที่หก็คุมใจของเราคือสุลาปานาอธินากามกามเมมุสาสุลา ห้าข้อเนี่ยพระพุทธองค์เรียกแบบพุทธบัญญัติพระพุทธองค์บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุมครองโลกโลกกอบพวกเราทั้งหลายนี่นะเพื่อไม่ให้ไปตกอบายจะภูมิข้อที่หนึ่งสองสามก็คุมกายข้อที่สี่คุมมาจากข้อที่ห้าคุมใจ น, นี่แหละคนจะไปทําบาปก็เอากายนี่เนี่ยไปทําบาป จะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ก็เอากายนี่แหละไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไปประรพฤติผิดในกลามก็เอากายนี่แหละนะนะจึงว่าคุมกายของเราคุมวาจาคุมใจคุมนะคุมวาจาก็คุมไม่ให้ไปพูดปวดพูดสอดเสียดพูดคําหยาบพูดเพ่อเจ้อเล้ยวไหลได้สะละคุมใจถ้ากินเหล้าเมาสซลาขึ้นแล้วมันจะคุมไม่อยู่ คมสติไม่อยู่สติคุมจิตคุ้มใจไม่อยู่ท่านจึงไม่ให้เสพเหล้าเมาสุรานะถ้าจะไปฆ่าสัตว์เขาก็ต้องเอาเหล้านี่แหละกินซะก่อนเป็นใจใจกล้ากล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ได้กล้าพูดปวดมวดเท็ดได้ก็อาศัยเหล้านะั่นมายอมใจซะก่อนนั่นะ ให้พากันพิจารณาดูสี่ห้าก็บัญญัติขึ้นมาควบคุมขันห้าขันห้าก็คือกายกับใจขันห้าส่วนวาจามันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละขันห้าบริบูรอลก็คือขันที่มีกายดีวาจาดีใจดีนี่แหละว่าขันห้าขันห้าบอลบลีบอลเอาใจขันห้าบอ เขาใจโลกบอโลกนี่โอกาสโลกสัตว์โลกอันเดียวกันเรียกคนและจำนวนภาษาเฉยๆโลกกับขันห้าก็คนเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าคนก็ได้เรียกว่าสัตว์ก็ถูกเรียกว่าเราว่าเขาก็เรียกขันห้านี่แหละนี่แหละท่านบัญญัติศีลขึ้นมาก็เพื่อมาควบคุมขันห้านี่ไม่ให้เอาขันห้านี่เอากายกับใจ่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กับพืชผิดในกรรม ไม่ให้ใจสั่งวาจาไปพูดบาปทุจริตไม่ให้ใจไปสัง่งจิตไปทำบาปทุจริตถ้ากินเหล้าเมาสตุลาเข้าไปแล้วใจมันคุมไม่อยู่สติคุมจิตคุมใจไม่อยู่มันจะพากายไปค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมันจะสั่งวาจาให้พูดบาปทุจริตท่านจึงบรงหยัดเสียงขึ้นมาทีนี้โอ้ หวังจะดำเนินเดินไปสู่มรรคขั้นสมาธิขั้นปัญญามันมรรคมันมีอยู่คือขั้นศีลสมาธิปัญญานะก็ต้องมาเอาอันนี้แหละเป็นรากเป็นบทเป็นบาทเป็นภาคเป็นพื้นเอาศีลนี่แหละเป็นที่ตั้งที่เกิดของกันรละาัธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์จึงให้เอาศีลก่อน นะจะภาวนาก็ต้องรักษาศีลให้มันดีเสียก่อนก็คือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้มันดีเวลาไปนั่งสมาธิภาวนามันจึงจะเกิดเกิดง่ายถ้าศีลไม่ดีแล้วไปภาวนามันก็ไม่ได้อะไรทัานจึงบันอัากศีลขึ้นมาเพื่อให้เรา ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามนะนี่นี่ขั้นศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ด น, น, น, นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะศีล น, นะศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจท่านจึงบัญญัติขึ้นมาเป็นคำสวดว่าสุปฏิปโนภะควะโตสาวะกสังโฆ สงสาวกของพระพุทธเจ้าหมูได้ปฏิบัติดีแล้วอะไรดีละ่ะคําว่าปฏิบัติดีแล้วพากันทําวัดสวดมนต์ว่าผ่านไปต้องรู้จักว่ากายดีวาจาดีใจดีนี่คือปฏิบัติดีแล้วนี่ปฏิบัติขันหันปฏิบัติกายให้ดีวาจาให้ดีใจให้ดีจึง จะได้เป็นผัสสุปฏิปโ น, โนไม่ใช่ว่าแฉหัวโลนกลคิ้วห่มผ้าเหลืองผ้าขาวจะได้เป็นสุปฏิปัโนโนั้นไม่ใช่นะให้พากันเข้าใจแฉหัวโลนยังไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อยู่ก็สมไปไม่อวดไม่อยากนะนี่แหละเรียกว่าสุปฏิปโนเนพราะว่าโตสาวกับสังโฆสงสาวกของพระพุทธเจ้ามูได้ปฏิบัติดีแล้วนะ อะไรดีกายดีวาจาดีใจดีเราก็ได้เป็นของสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาคือผู้อยู่ใกลนะ้ศาสนาผู้อยู่ในศีลในธรรมให้เข้าใจว่าอย่างนี้สาวกของพพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจ ด, ใจดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐประเสริฐนี่ก็เรียกว่าอริยะอริยะ บุคคลอริยบุคคลบุคล jumping. คลผู claro, ้ประเสริฐก okay. ็เรียกเกี่ของเนี Không ่ยใครก็ได้ถ้าเป็นกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็เรียกว่าอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐกายโทตประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐคือยกกายข้ามโคตรปุตชนยกวาจาข้ามโคตปุุชนได้ยกจิตข้ามโคตปุุชนเราก็เป็นอริยชนอริยบุคคล ผู้ประเสริฐเรียกว่าพระโสดาบันนี่แหละใครอยากเป็นพระโสดาบันก็ทําเอาแค่นี้พ่อเป็นได้เมื่อไหมูโม่ใหญ่พระโสดาบันพระอริยบุคคลขั้นต้นเนนะ่ะเป็นพระสุปฏิปโนท่านก็เรียกพระอริยบุคคลขั้นต้นก็เรียกพระโสดาบันก็เรียกคือเป็นผู้ที่มีกายดีนั่งอยู่นี่กายดีหมด น, นั่นวาจาดีใจดี ไม่ได้ไปซื้อไปขอจากตลาดนะมันขอจากใครไม่ได้นะกายก็กายของเราเนี่ยนะวาจาวาจาของเราใจก็ใจของเราเนี่ยนะถ้ากายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเรียกว่าพระโสดาบันไม่ใช่โสดเดานะเดาเอาเนี่ยอาลังคนเดาเามุ่งมั่นจว่าพระโสดาบันเป็นยังไงน่ะเข้าใจว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐ ก็เรียกว่าอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐนี่เรียกว่าพระโสดาบันต่อไปพระโสดาบันนี่พระพุทธองค์ก็สอนให้เราเป็นพระโสดาบันนั่นก่อนผู้ปฏิบัติผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นอันนี้เป็นสถานที่ให้มาปฏิบัติเฉยเฉปฏิบัติจริงๆก็คือปฏิบัติกายปฏิบัติใจเท่านี้ ทำทั้งหลายย่นย่อลงมาเแล้วอยู่กายกับใจกายกับใจนี่นะลูกกับน้ามก็เอิญกายกับใจก็เอินคันหาก็เรียกอันเดียวกันมาปฏิบัติ ธ, ธรรมก็มาปฏิบัติเจ้าของนะมาปฏิบัติกายเจ้าของว่าจะของเจ้าของใจของเจ้าของถ้ามันไม่ดีก็มันไปฆ่าสั์รับทรัพย์อยู่ประพฤติผิดในการอยู่ก็ยุดยุดทํากรรมชั่วเนะนะนี่ยนี่ มันมีมีมาอย่างนี้มันก็มีกุศลาอากุศลานะนะกุศลาคือบุญกุศลอกุศลานี่ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลก็คือบาปใครไปทําบาปก็เอากายนี่แหละไปทําเอาคํานี่แล้วไปพูดพูดในแง่บาปทุจริตเรียกว่าอากุศลทำในแย่บาปทุจริตนะนี่พระโสดาบันก็เริ่มจากนี้แหละ พอเข้าใจว่าหลังทาให้ได้นะให้เป็นพระโสดาบันนะแต่ก่อนเราก็ได้ยินแต่ชื่อว่าโสดาบันโสดาบันคนยังใดยังสิได้เป็นพระโสดาบันสงสัยไหมล่ะทีนี้ไม่ต้องสงสัยได้เฮ็ดยังใดเพื่อนเป็นพระโสดาบันเพื่อนเป็นได้ยังไดนั่นต้องเข้าใจต้องรู้วิธีเป็นเพื่อนเป็นตำรวจเพื่อนเป็นทหารเป็นคู่เป็นอาจารย์เพื่อนเป็นได้ยังไหน ่อนก็นต้องรู้จักวิธีศึกษาปฏิบัติเราเรียนมาผู้อยากเป็นผู้ผู้ได้อยากจะเป็นครูก็ต้องไปเรียนวิชาครูตำรวจก็เรียนวิชาตำรวจแล้วทาหารก็เรียนวิชาทาหารเพื่ได้เป็นอยากเป็นพระโสดาบันก็เรียนวิชาสามอย่างคือเป็นผู้ที่มีกายประเสริฐทำได้นะกายประเสริฐ ไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมวาจาประเสริญยกวาจาท้ามโคตรวุตุชนไม่พูดข้ามยาบพระอริยกคชนบอกกับลูกกับหลานค่ะเอื่นคอยเอินว่ามันพูดข้ามหยาบ ป, ป่อยห้าดาสาบแสงยังไงมีพราโซดาบันนี่เป็นได้นะเป็นง่ายไหมหลังมาเพื่ออธิบายให้รู้ว่าพราโซดาบันคือยังไงนี่แหละ ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นพระโสดาบันเป็นบุคคลผู้ประเสริฐคมทําได้นะคงทําได้นะบุคคลผู้ประเสริฐกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐให้ทำอันนี้ให้ขั้นศีลนี่ให้บริบูรณ์เสียก่อนส่วนสมาธิปัญญามันก็เกิดมาตามหลังถ้าหากว่าศีลไม่บริบูรณ์ก็เกิดยากสมาธิปัญญาเนี่ยนะ มาปฏิบัติทำทำทั้งหลายก็คือกายกับใจปฏิบัติกายกับใจเจ้าของนี่แหละไม่ใช่จะไปปฏิบัติที่อื่นพระโสดาบันีถ้าใครทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปิดอบายยภูมิให้เจ้าของอบายยภูมิสี่สัตจเนโลกหนึ่งเตฏสองอสุรกายสามสัจเดรชันสี่ถ้าผู้ที่กายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดี ไม่ต้องสงสัยเมื่อธาตุแตกขันดับก็ลงไปสู่อบายภูมิถ้าผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีสวรรค์นิพพานเป็นที่หวังล้ทีนี้หันหน้าเข้าสู่พระนิพพานหันหลังให้อบายภูมิสีหันหน้าเข้าสู่พระนิพพานไม่พบใดพบหนึ่งก็จะเข้าถึงพระนิพพานดังนั้นท่านจึงบัญญัติพระอริยบุคคลท่านต้นไว้สามอย่าง พระโสดาบันอันหนึ่งอนหนึ่งก็เรียกว่าผู้มีศีลดีศีนห้าเอาศีนห้านะศีนหายืนเป็นพื้นเอาไว้แล้วก็เอากุศลกรรมบทสิบมาบวกใส่กุศลกรรมบทสิบก็คือกายกรรมสามไววจีกรรมสี่มโนกรรมสามหรือเป็นผู้ที่มีกายดีว่วจจดีใจดีก็อันเดียวกันนั่นแหล ะ, ะบุคคลนี้เป็นพระโสดาบันขั้นต้น พระโสดาบันมันมีอยู่สามสามขั้นเหมือนกันเนอให้เข้าใจยั่งซี่ยั่งสี้เปลี่นพระโสดาบันได้ว่ได้ไม่เหตุวัตรเหตุเหียเหนเั็นแล้วกายดีวะย้ำตรงนี้แหละว่าจจดีไหมใจดีไหมต้องถามเจ้าของวันนี้กายเราดีไหมล่ะวันนี้ถือเขา่เขาๆยุงมาไต่มาตรวไม่ใช่ว่า ย่านิว่าเขาเลิกเมื่อวา่าติตีให้มันเขาไปต่อเขาไปยา่านมันไม่จำไปะนะมันบอกเล่นว่าอันนั้นกายไม่ดีนั่ น, นไม่ฆ่าสัตว์ตั้งแต่ยุงลิ้นมดแดงมแมลงฟ่องขึ้นไปหล่ะจึงเรียกว่าผู้ที่มีกายประเสริฐอ่ามันไม่ทํำย่ากก็กายประเสริฐแต่นั้นพระโสดาบันมีอยู่สามขั้น ทนที่หนึ่งเรียกว่ารักษาสินห้าแล้วเอากูศสกรรมบทสิบไปใส่คือกายดีวาจาดีใจดีและวูสกรรมบทสิบไปบวกใส่แล้วก็ได้เป็นอริยบุคคลบุคคลเช่นนี้หากจะมาเกิดอยู่ในในมนุษย์หรือสวรรค์ก็เกิดได้เพียงเจ็ดชาติก็จะเข้าถึงพระนิพพานหันหลังให้อบายะพุ่มทั้งซีแล้ว อันหนาเขาสู้พระนิพพานอย่างมากเกจชาติในมนุษย์หรือสวรรค์นี่ทศพสดาบันขั้นที่หนึ่งพ่อเข่าใจพระสดาบันบ่บันเหระเฮ็ดจังเดยังเสด็จติ่รักษากายาจวใจให้ดีเพราะนี่ขั้นที่สองก็มีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันขั้นที่สองมีความดวงตาเห็นธรรมเห็นธรมมธรมดามุจักธรรมธรรมดาบ่ ธรรมดาเมันก็เกิดขึ้นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้เลยเห็นธรรมดาถ้าโซดาบันกันเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่เรามีความตายเป็นธรรมดานี่ถ้าเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานเห็นความเกิดความดับ เห็นอริยสัจสีอ่อนๆเห็นเกิดขึ้นไยเกิดก็คือทุกสมุทัยในอริยสัจสี่นะนะนะไฟดับก็นิโรธมากเห็นเกิดเห็นดับเห็นร่างกายของเจ้าของนี่นะเกิดดับหูได้ยินเสียงแล้วก็เกิดได้ขึ้นเกิดรู้จักอันนั้นอันนี้ขึ้นแล้วก็ดับจะโมกได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วก็ดับเห็นเกิดเห็นดับ เห็นขันห้าเกิดดับเห็นกายเกิดดับเห็นใจเกิดดับอันนี้องค์นี้เรียกว่าองค์ที่สองหากมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกเพียงสองชาติสามชาติก็เข้าถึงพระนิพพานพระโสดาบันขันที่สองดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นมันไม่เที่ยม มันเป็นทุก์เป็นอนัตตานะเห็นกายหยากยาบนี่เห็นสิง่งจยากหยาบนี่ีกสดกอดว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานี่เลยคือธรรมดาเห็นธรรมดาพ่อจะเข้าใจแ น, น่ว่าละทีนี้องค์ที่สามนะองค์ที่สามนี่ต้องเป็นผู้ที่ละสังโยชน์สามได้พระโสดาบันสังโยชน์สามก็มีส ก, กายทิทิ วิกิกิจชาศีรพัฒน์บาตาองค์นี้หากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์เพียงพบเดียวชาติเดียวก็เข้าถึงพระนิพพานที่นี่จะพูดถึงสักยทติทิให้ฟังสักหน่อยสักยทติทินี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ตัวเรานะั้นกายะกายเยกายโยกายี ก็แปลว่ากายกายผู้ชายกายผู้หญิงนี่แหละกา ย, ยีญิงก็กายผู้หญิงกายโยก็กายผู้ชายสักกายะทิฏฐิและสักกายะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นและความเห็นผิดเดี๋ยวนี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดทุกคนนะนั่งอยู่นี่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นผิดเห็นว่าขันห่านี่เป็นตนตนเป็นขันห่าน ขันห้ามีอยู่ในตน้นต้นมีในขันห้านี่แหละมิจฉาทิฏฐิทัานว่ามิจฉาทิฏฐิขันมีอยู่ห้าขันความเห็นสี่อย่างนี้ไปคูณกันสี่ห้ายี่สิบทิฏฐิยี่สิบอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิทิฏฐิวิปลิตวิปลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะความเห็นวิปลาดเห็นว่ากายเป็นตนเห็นว่ากายเป็นเล่าเล่าเป็นกาย กายมีอยู่ในเราเรามีอยู่ในกายเห็นว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในเวทนาแปดเหเห็นว่าสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในสัญญาเป็นสิบสองสามสี่สิบสองเห็นว่าสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนี่นนะเป็นตนตนเป็น สังขารสังขารมีอยู่ในตนตนมีอยู่ในสังขารเป็นสิบหกเห็นว่าวิญญาณความรู้ทางหูทางตาเกิดขึ้นแล้วดับเห็นวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีอยู่ในตนตนมีอยู่ในวิญญาณอย่างละสี่ละสี่สี่ห้ายี่สิบนี่เรียกว่าสักกายทิฏฐิผู้ใดละสักกายทิฏฐิก็คือละความเห็นผิดได้อ ก็จะละสังโยชน์ข้อที่สองวิธีกิตชาคือความโลเลสงสัยว่าในก้อนสกุลกายของเราเนี่มีสัตว์มีคนมีตัวมีตนมีเรามีเขาหรือมีธาตุกายสิทธิ์อยู่ในร่างกายของเราสามารถสั่งกายให้ทําอะไรก็ได้ธาตุกายสิทธิ์นี่มาหลงว่ามีสัตว์มีคนมีตัวมีตนอยู่ในนี้เมื่อผู้ใดมาพิจารณาถอด กายออกมาดูกําหนดถอดนะกําหนดถอดออกมาดูถอดผมขนเนื ป, ปันถอดกรรมฐานห้าถอดกรรมฐานสามสิบสองออกมาดูแล้วก็เอาคําถามสี่คำถามที่บอกไปเมื่อกี้กาหนดถอดนะอ่ะาพระโสดาบันท่านนี้ถอดกายเจ้าขอมดูขีใครออกมาดูกําหนดถอดผมไปกองไว้ ถอดขนไวกองไว้กองหนึ่งต่างหากเล็บก็ถอดเล็บออกไปฟันก็ อ, ออกไปหนังก็ อ, ออกไปแล้วก็เอาคําถามสี่คำถามนั่นแหละมาถามว่าหนังเป็นเราไหมหนังเป็นตนไหมหนังเป็นคนไหมคนเป็นหนังไหมเราเป็นหนังไหมอยู่นัใ น, นะหนังมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในหนังไหมจนเกิดสติปัญญา ทำอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติทําถอดออกอยู่อยู่อย่างนั้นเพื่อแก้ความหลงผิดเจ้าของความหลงมันก็หลงเบื้องต้นก็เบื้องต้นก็หลงกายนี่แหละว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขานี่ต่อไปก็มาหลงใจนี่แหละว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นี่ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ถอดอาการสามสิบสองนี่แหละออกมาพิคายพิจารณาดูให้เห็น ตามความเป็นจริงความจริงคื อ, อยังไงคือกายสัตว์แต่ว่ากายเฉยๆสัตว์แต่ตั้งสมมติเรียกชื่อว่ากายเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในกายนี่จึงจะเป็นสัมมาทิฐิแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ต่อมาเรามาถอดกายออกเพื่อละความเห็นผิดลองไปถอดดูนะถอดดูนะคืนนี้ก็ได้คืน ไหนก็ได้ไม่มีการมีเวลาหรอกผอดกลางค่ํากลางคืนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนก็ผอดได้ผ อ, อดกายเจ้าขอมออกมาดูว่ามันมีสัตว์มีคนอยู่ในนั้นจริงไหมเ น, น, นี่ยน่ะนี่แหละจะดับมิจฉาทิฐินั่นนี่ถ้าดับได้ก็เป็นสัมมาทิฐิขึ้นมาพระโสดาบันขั้นนี้ะละสังโยตสามได้หากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ก็เพียงชาติเดียว ก็เข้าพระนิพพานเอาให้มันได้ศาตรนี้ได้ศาสตร์เดียวยังบ่ท่านสายเกินแก่ม่างกายออกมาเบ้า ง, งนะกายของเรานี่แหละเรียกว่าดงคนก็มาหลวงดงเนี่ยดวงกายนี่ยละว่ามันไปหลงดงอื่นดอกดวงอื่นไม่หลงแน่แน่หลงก็หลงดงกายนี่แหละพระธุดงก็นี่แหละก็เที่ยวไปในกายอย่าของเนี่ยเอาจิตเที่ยวไปในกายอย่างของเนี่ยนะพระธุดง ไม่ใช่แ บ, บกีกดแบบีบาดเข้าป่าไปตั้งชื่อว่าเจ้าของเป็นพระธูดงอันนั้นไม่ใช่นะพระธูดงจริงๆคือเที่ยวอยู่ในกายเจ้าของกายนี่เรียกว่าอุทยานอุทยานของพระอริยะพระอริยะบุคคลต้องท่องเที่ยวอยู่ในอุทยานนี้เที่ยวทุกข์ึน้นทุกข์ึ้นได้ง่ายพอง่ า, ายแม่ขยายว่าให้นี่เอาจิตเจ้าของนี่ เข้าไปแลดูกายของเรานี่แหละเวลาเราทําวัดเข้าเข้ากับเบิงแร่เขาเบิงกายเขา้าไม่ใช่แลไปดูกายของคนอื่นกายของเรานี่แหละแลเข้าไปดูกา ย, อยของทุกวันทุกวันวันละเล็กละน้อยนะถ้าดูอย่างนี้ก็จะเกิดความรู้จริงขึ้นมารู้ว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เราก็จะเป็นสัมมาทิฏฐินี่แหละสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกต้องนะให้ให้พากันเอาไปดูไปพิจารณาดูถ้าเห็นตามความเป็นจริงถ้ารู้จริงต้องละต้องวางละสักยญาทิฏฐิละกายได้ละเวทนาได้ละขันห้าได้ว่าขันห้านี่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีไม่มีมมข้ออื่นนอกไปจากนี้ ถ้าทำอย่างนี้ก็ได้เป็นพระเริยบบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ก็เพียงชาติเดียวก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นง่ายว่าเหรอคะนี่แม่เอ๊ง่ายว่าพระโสดาบันอยากเป็นบ้างไหมเอ๊อยากเป็นไหมล่ะเออนี่แหละถ้าอยากเป็นก็อพระโสดาบันขั้นต้นก็คือศีลห้าเอาศีลหาเนี่ศีลหักุศวกรรมวจิป กุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทําบทแปลว่าทางทางกระทําของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทําลงที่ศีลห้ากุศลกรรมบทสิบนี้ก็ได้เป็นอริยบุคคลเป็นไงบ้างล่ะบานนี้จําให้ดีนะวิธีเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ที่มีกายดีวาจใดีใจดี หรือเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปโนก็เรียกว่าพระอริยบุคคลขั้นต้นพระอริยบุคคลมันมีสี่ขั้นด้วยกันนะหนึ่งพระโสดาบันคู่หนึ่งพระสกิทาคาคู่หนึ่งเป็นสี่แล้วพระอนาคามีอนาคามีมรกอนาคามีผลคู่หน<ม>ึ่งก็เป็นหกพระอรหัตตะมรกอรหันต์ผลคู่นี้ก็รวมเป็นแปดแยกเป็นบุรุษได้แปดบุรุษ ที่เราสวดไปเนะี่ยถ้าพูดเป็นคู่ก็ได้สีค่คู่บุรุษสี่คู่คื อ, อมรรคกับผลกําลังกําลังรักษาศีลรักษา 5, ศีลห้ากุศลกรรมบทชสิบอยู่ยังรักษาไม่ได้หรือกําลังไปเพฤ่ออยู่กําลังปฏิบัติอยู่เอา 5, ศีลห้ากุศลกรรมบทชสิบมาใส่กําลังปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าดําเนินเดินเรียกว่ามรรคถ้า เอากุศลกรรมโมสิบเข้าไปถึงจิตถึงใจแล้วแล้วนะก็เรียกว่าบรรลุบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงคุณทำสิบ ป, ประการเข้าถึงจิตถึงใจใจสถิตอยู่ที่จิตที่ใจของเราแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตก็ได้เป็นพระเรียบบุคคล เอาให้มันได้แค่นี้ก็เอาเนะี่ยเมื่อนีอ่พูดเรื่องอริยบุคคลนี่แหละได้แค่เป็นพระโสดาบันก็ปิดอบาัายภาูมิแล้วท่านเรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐกายประเสริฐใจประเสริฐวาจาประเสริฐผู้ประเสริฐไม่ไม่ไปตกอบาัายภาูมิดอกผู้ประเสริฐมีแต่จะไปสวรรค์นพระนิพพานไปเลยแหละนะย้ำอยู่ตรงนี้ให้เข้าใจเสียก่อนศีลขั้นต้นนะ ถ้าจะเข้าถึงพระนิพพานจริงๆก็ต้องออกหมีจากกรามมงคลห้าศีลอย่างไรจึงจะไปถึงพระนิพพานที่นี้ฟังให้ดีศีลห้าศีลห้านี่เป็นศีลของคารวะญาติโยมผู้คล้องอยู่กายยังจมอยู่ในกามอยู่หมกมุ่นอยู่ในกามอยู่จิตก็ยังจมอยู่ในกามอยู่ผู้รักษาศีลห่านะ กายจงจมอยู่ในกามใจก็จมอยู่ในกามออกนีจากกามไม่ได้แม่ปฏิบัติยากลําบากขนาดไหนหรือง่ายขนาดไหนก็ตามย่อมตัดสลูไม่ได้เสียหาตัสลูเป็นพระอรหันต์บ่ใดเด้อญาแม่เด้อเข้าใจว่าเรียกว่ากายยังจมอยู่ในกามใจก็จมอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่เปรียบเสมือนไม้สด ทิ้งอยู่ในน้ำํำทั้งไม่สดทั้งถิ้งอยู่ในน้ำแซ่อยู่ในน้ำกาดอยู่ไม่สดไม่เปียกถ้าบุรุษต้องการไฟย่อมสีไฟไม่เกิดแมน่นบอกฮะสูไฟเกิดไหมเอาไม้สดมาทุบไปตั้งแต่โบราณเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีไม่ขีดไม่ค่อยมีนี่เหมือนทุกวันนี้นะตั้งแต่เกิดใหม่ใหม่เห็น เอาหินมาเอาเหล็กต่อยหินใส่บอกปุยเดี๋ยวเขาว่าหน่อนะแล้วก็เป๋าแล้วก็ไปต่อใส่กะลามะพร้าวเปี๋ยกมะพร้าวหรืออะไรที่หรือไม่งั้นก็ไม่มีไฟถไมนั่นไม่มีไม่ขีดไฟเขาก็เอาไม้มาถูกันเนี่ยถูไปถูมาจนมันร้อนก็เกิดเป็นไฟถ้าชิ้นห้า ใจยังจมอยู่ในกามอยู่กายยังจมอยู่ในกายอยู่เปรียบเสมือนไม้สดนะถ้าถ้าเราอยากได้ไปเพรสีไฟไม่เกิดแล้วเนะี่ย่อมตัดสลูไม่ได้เขาใหญ่ว้อไาเนี่ยตัดสลูตามพระพุทธองค์ไปบพราะดเพียงจะปิดอบายจะพุ่มได้เท่านั้นเสียนหา อ, อทีนี้ศสียนเสียนแปดสีลนสิบเสีลนสองรอยี่สิบเจ็ดถ้าออกมาตั้งแต่หัวร้นก้นชิว ห่มเหลืองห่มขาวเฉยๆก็ไม่ได้นะออกมาทั้งกายเฉยๆใจยังกบจมอยู่ในการมอยู่ออกมาตัวพน้นเลยคือว่ามาหลักษาศินมาภาวนาออกมาได้ทั้งกายส่วนใจยังจมอยู่ในการมอยู่ศิลแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเกียรติรแม่ปฏิบัติขนาดไหนเพ่งคัดขนาดไหนก็ตาม เกิดทุกขเวทานาสุ ข, ขเวทานาขนาไหนก็ขนาดไหนก็ตามย่อมตัดสูด้ไม่ได้ออกมาตั้งแต่กายซสื่อใจไม่ออกมาด้วยเวลามาอยู่วัดยังคิดถึงลูกทั้งหลานคิดว่าแถานั้นยืนยงได้แถานี้ยืนยงได้ยืนยันนั่นละออกออกมาได้ตั้งแต่กายอันนี้ยังคิดถึงบ้านช่องห้องหอคิดถึงลูกหลาน คิดถึงทรัพย์สมบัติอยู่ก็เรียกว่าออกมาได้ทางแต่กายใจยังจมอยู่ในกามอยู่เปรียบเสมือนไม้สดทิ้งอยู่บนบกทิ้งยุทั้งโคกไมไม้สดทิ้งยุทั้งโคกหากบุรุษต้องการไฟก็สีใสไม่เกิดแมนบอกะไม่สดสีกันก็ว่าเกิดทีนนี้ สีลนแปดเป็นต้นคือสีลนแด ส, 10, สิ้นสะิสินยี่นี่ะออกมากายก็ออกมาได้ใจก็ออกมาได้นะแมมาปฏิบัตริรักษาสีลนภาวนาก็ย่อมจะตัดสลุดได้เหมือนพระพุทธองค์ตัดสลุตามพระพุทธองค์ไปได้เปรียบเสมือนไม้แห้งทิ้งอยู่บนบกหากบุรุษต้องการไฟก็สีไฟใช้ประโยชน์ได้ ไม่แหงทิ้งอยู่บนบกทีนี่การที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าศีลไม่ดีศีลไม่ดีหรือเราออกมาตั้งแต่กายเฉยๆใจเรายังไปหมกมุ่นอยู่ในบ้านจมอยู่ในลูกในหลานอยู่เมาอยู่เรียกว่าทำเมาเมาน้ำเฮียนน้ำซ้าน เม้าน้ำลูกน้ำหลานเม้าน้ำหมูน้ำหมาเม้าน้ำไห้น้ำหน้าอยู่เรียกว่าทำเม้าตัดสู่ว่าได้ใจยังออกจากกามไม่ได้ภากันเข้าใจว่าบันถ้าจะไปให้ถึงพระนิพพานจริงๆต้องเอาศีลแปดุษุนรำว่าบทสิบมาบวกใส่ก็ได้เป็นอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐขึ้นมา ออกตายก็ออกได้ใจจะก็ออกได้แม่ไปนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินวิปัสสนาภาวนาก็ย่อมจะคายกิเลสได้ท่านเนี่ยท่านนี่มันมีอานิสงส์อีกอย่างหนึง่งนะถ้าผู้รับผลของทานก็คือศีลผู้รับผลของทานก็คือศีล ทานนีมันปิดอบายยภูมิไม่ได้ได้อา น, นิสงส์หลายเหมือนกันกานทานเป็นเป็นทางดําเนินขั้นต้นขึ้นไปทานศีลภาวนานี่แต่เฉพาะทานอย่างเดียวมันปิดอบายยภูมิไม่อยู่แด้วถ้ากันของใจต้องเอาศีลห้ามาใส่จึงจะปิดอบายยภูมิได้ทีนี้อยากขึ้นสวรรค์ก็เอากุศลนกรรมวบทสิทธิ์ท่าตัวให้เป็นมนุษยรร์ศรัท มนุษย์ศรัทธาสิบประการกา ย, ยกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามก็รวมเป็นสิบอันนี้เรียกว่ามุตมนุษย์ศรัทธาสิบประการธรรมที่ทําให้คนเป็นเทวดาจําได้ว่าเคยมาบอกแล้วธรรมที่ทําให้คนเป็นเทวดาอยากเป็นเทวดาบอโม่เฮาฮะเอออยากเป็นเทวดาต้องเอาศีลอีกสองอย่างมาใส่ได้นอกจากกุศลกรรมโมบสิบแล้วก็ต้องเอา ศีน ส, สองอย่างคือหิลิฮีลิเอาทำสองอย่างคือฮิลิกับโอตตปะหิลิแปลว่าความละอายใจใจโอตตปะคือความสะดุ้งเกรงกลัวตวบาะไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แก่ถ้าหากท่าแตกขันดับแล้วก็ได้ไปเป็นเทวดาพวกเทพเขาเอารถราชลดลงมารับเอาเลยล่ะดวงจิตดวงใจของเรา ต่อจากนี้ก็อันนี้เรียกว่ามรคของพระโสดาบันนะมรคทางเดินของพระโสดาบันสกยายทิฏฐิวิกิกิจชาศิลพัตปรามาตถ์นี่ถ้าละสกยายะทิฏฐิได้แล้วทำสองหมวดนั้นก็เป็นอันเดียวกันไม่ต้องไปคนไม่ต้องแสวงหาก็ได้แสดงว่าปิดอบายภูมิได้เรียกว่ามรคขั้นต้นคือพระโสดาบัน อ่เป็นได้ว่า น, น, น, น, น้องคันนี้เนาะฮะถ้ากันเป็นให้ได้ได้เกิดมาฉันเสียเ่าเสียศาตรเกิดเสียดายอันเนี้ยก็ยศไปเสียดายรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตสําหรับชีวิตร่างกายนี่มันแตกดับได้มันเสื่อมสลายได้แต่ตัวศีนตายไม่เป็นนะคือตัวใจของเราเนะี่ยคือศีนตายไม่เป็นถ้ารักษาศีลได้อย่าง ครบหน้าชาติหน้ามีหวังได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิทานสมบัติไปเรื่อยๆมรรคของพระโสดาบันขั้นสุดท้ายก็ถอดกายด้วยกายออกถอดธาตุสี่ขันห้าออกที่คครพิจารณาดูแล้วก็จะเป็นพระอนิยบุคคลขั้นต้นขั้นที่สองคือสกีทาคานีมรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่ง มรคัญที่สองคือสกิทาคามีพระสกิทาคามีนี่คือพระอย่างไรทีนี้ต้องมาทําความรู้เท่าเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสกิทาคามีได้คุณสมบัติอย่างไงจึงเรียกว่าสกิทาคามีเอาฟัง่งให้ดีบัณฑ์สกิทาคามีสักตาคามีก็เรียกกะก็เรียกกิก็เรียกอันเดียวกันต้องละ สังโยชน์สามได้ได้เหมือนพระโสดาบันคุณสมบัติของพระสกิท า, าขามีเลยมันละสังโยชน์สามได้เหมือนกับพระโสดาบันหรือละสังกะยะทิฏฐิวิกิจิใช้สีระพัฒปรามาตได้แล้วก็มามาทําความรู้เท่าเข้าใจเรื่องกายละกามละกา ม, มาันทะได้เบาบางลงแต่ไม่ได้หมด กา ม, มัชชันทะจะเบาบางลงคือความยินดีพอใจในกรรมนั้นจะเบาบางลงแต่ไม่ใช่ว่าขาดเลยเรียบเส ม, มือนไม้ต้นเล็กๆเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นไม้ใหญ่คุมไม้เล็กอยู่ไม้ต้นเล็กๆไม่สามารถจะโตเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปได้การ ม, มัชชันทะของพระสจิทาคามีก็เหมือนกันไม่จเจริญรุ่งเรือ ง, องต่อไป แต่ยังดับไม่ขาดสกิธาคามีละสังโยตสามสกฤติทิฏฐิวิกิจิจชาดศีละพัดปรามาตได้แล้วก็ละกามสันทะพยาบาทเบาบางลงสูงกว่าพระโสดาบันเป็นไปอันนี้คือความคุณสมบัติของพระสกิธาคามีพ้อเข้าใจว่าละ่ะถ้าจะเป็นนะ่ะต้องปฏิบัติเจ้าของ เทียนพยายามปฏิบัติขั้นที่สามก่อมากขั้นที่สามก่อนมากของพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ต้องละสังโยชน์สามขั้นต้นได้ก่อนแล้วต้องไปละสังโยชน์อีกสองอย่างนี่แหละคุณสมบัติของพระอนาคามีสังโยชน์อีกสองอย่างคือกามฉันทะพยาบาทพระอนาคามีดับกามฉันทะ ไม่มีกามกามเหือดแห้งลงไปเป็นผู้เบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกายเจ้าของนะถอดกายออกมาแล้วก็พระอนาคามีนะถอดกายออกมาดูแล้วเห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายเจ้าของไม่สวยไม่งามอสุภะสุภะแปลว่าสวยว่างามอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมีแต่ของเน่าของเหม็นอยู่ในกายเจ้าของ ไหลออกมาจากกายนี่เป็นของเน่าของเหม็นหมดนะเป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามลอกหนังออกก็ไม่งามดอกคนถ้า เ, เห็นเขาลอกหนังกบหนังเขียดบอกลอกหนังง้าหนังาค้วยลอกหนังออกแล้วที่ไหนมันดูได้เดี๋ยวนี้มันหนังห่อหุ้มไว้เฉยพระอนาคามีต้องเห็นอสุภะเห็นอสุพังเห็นกายอย่าคข้องนี้ไม่สวยไม่งาม ในเนื้อในหนังนี่มีแต่สิ่งสกโปกท่านจึงให้ดูแลแลดูกายอย่าของนี่แหละพระโสดาบันก็แลดูเหมือนกันแต่ไม่ละเอียดเห็นว่ากายไม่มีสัตว์คลเท่านั้นพระโสดาบันส่วนพระนาคามีอนาคามีแลดเข้าไปแล้วเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นของเน่าของเหม็นอสุภะอสุพังไม่สวยไม่งามจึงเบื่อหน่ายในกาม เบื่อหนในใกายก็เบื่อหนในกายไม่อยากมากลับเมื่อเกิดเข้าคันของคนอีกเกิดในคันอีกก็เรียกว่าอนาคามีนี่พระอนาคามีพอเข้าใจไหมนะพอทําได้ไหมทอดกรรมฐานสามสิบสองนั่นออกมาดูที่นี่แต่ก่อนดูว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลดูให้เห็นว่าในกายนี่ไม่มีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีต้ตนอยู่ในนี่จริงๆ ก็ได้เป็นพระโสดาบันขั้นของพระอนาคามาเพิ่มอีกดูแล้วเป็นอสุภะไม่สวยเห็นไม่สวยไม่งามเลือดไหลออกมาจากเนื้อของเราก็เหม็นสาบเหม็นคาวที่ตาก็ไหลออกจากนี่ละที่หูก็กไหลออกจากนี่ที่โมกขี้ฟันก็ไหลออกจากนี่เป็นของเน่าท้องเหม็นมองเจ้าของเป็นของเน่าท้องเหม็นนะอ่า น้ำมูดน้ำพูดมูดพูดก็เน่ามิ้นเหงื่อใครไหลออกมาถูกเสื้อถูกผ้าก็เน่ามิ้นไม่มีอะไรสะอาดต้องซักถูอยู่ตลอดนะอาบน้ำอาบน้ช้ำระสาสางอยู่ตลอดถ้าไม่อาบน้ำสองสามวันนี่ไม่เป็นยังไงให้เห็นอย่างนี้พระอนาคามีนี่แหละทางมรรคของพระอนาคามีทางเดินนะให้พากันอนะ ทำเอาให้เข้าใจเมื่อเห็นกายเป็นอาจุพะสุพังแล้วต่อไปเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือวัเทียงทุกขังคือทนอยู่ว่าอไมันต้องแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคืนตลอดวันเดียวทุกขังอนัตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครหันห่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร สั่งไม่ได้จึงเห็นว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อหน่ายในธาตุในขันเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงกว่าจะเห็นว่าไม่เที่ยง้องใช้เวลามากพอสมควรนะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ภูวาอาจารย์ก็อาจจะใช้เวลาน้อยเพราะว่ามีคนถามมีคนอธิบายให้ฟังถ้าไปฟังถ้าไปคนทา ปฏิบัติตั้งแต่เจ้าของไม่มีครูบาไม่มีอาจารย์ก็บางทีก็จะหลงทางก็ได้นะหลงทางก็ได้หลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปะลาสอาจจะเป็นบ้าได้นีพวกภาวนาเพราะมีครูมีอาจารย์อ่านตั้งแต่แบบอ่านตั้งแต่ตำราไปทําเวลามันเกิด อ, อะไรขึ้นมาไม่รู้เรื่องแก้ไขเจ้าของไม่ได้เอาไปเอามากิเลสมาครอบงำเราได้ นั่งสมาธิภาวนาไปก็เกิดนิมิตเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็หลงว่าจะคล้องได้ทำเห็นทำก็ไปคว้าเอา ม, า ม, า ม, ามาัฟมๆเอาไปเอามาก็หลงทางเสียเวลาหลงทางกลับทางก็ได้ถ้าค่อยคนไหนกลับเป็นนะถ้ากลับไม่เป็นก็เสียเวลาแหละหลงภาวนาก็เป็นวิปัสสนาทีนี้มัฟขันของพระละหัน เมื่อกี้นี่พูดถึงมรรคของพระอนาคามีเนาะสังโยชน์ของอนาคามีสังโยชน์ของพระอรหันต์เพิ่มขึ้นอีกห้าอย่างสังโยชน์เบื้องบนมีาาาารูปราคะรูปราคะอรูปราคะตัวมานะมานะแล้วก็อุทธจัจจะอวิชชาห้าห้ามหมวดนี่สังโยชน์ห้าอย่างนี่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบน ใครอะเข้าพระนิพพานก็ละสังโยชน์เบื้องบนได้อีกพระโสดาละได้สาพระสากิธาคามีละได้ห้าพระอรหันละได้ส0บสังโยชน์มันมีโยสิบอย่างนะให้พากันเอาไปไขควรพิจารณาดูเกิดมาได้พบชาติมาเป็นมนุษย์สุดแสนประเสริฐแล้วนะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาพอจะ คนหาครูบาอาจารย์หาที่พึ่งที่อาศัยหาสารณะที่พึ่งหายังไงพระพุทองค์ว่าถ้าอยากได้สารณะที่พึ่งก็ให้ภาวนาวเอาเพชรจังเดย์มีภาวนาสารณะที่พึ่งนบ้านช่องห้องหอลูกบุตรพันยาทรัพย์สมบัติมันพึ่งไม่ได้พึ่งได้ตั้งแต่มีลมหายใจอยู่ถ้าลมหายใจไม่มีก็ไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติของใครแหละ ไม่วันลูกว่าลูกว่าผัวใครล่ะตายนี่จากกันไปพึ่งกันไม่ได้พึ่งได้แต่พอมีชีวิตอยู่ถ้าลมหายใจขาดออกจากร่างไปแล้วพอเขาก็เรียกว่าเป็นผีเท่านั้นไม่มีที่พึ่งอีพึ่งกายก็พึ่งไม่ได้เพราะเขาจะเอาไวเ้เผาทิ้งอยู่ถราพุดเ อ, องค์จึงให้เราภาวนาเอาภาวนาเอาอะไรคือที่พึ่งล่ะใชนีหย พุทธังธรรมังสังฆังสารนังพัชญานิพุทธังธรรมังสังฆังสารนังพัชญานิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งที่นับถือกรรมจัดภัยได้จริงนี่แหละสาระสิ่งที่มีแก่นสารเราก็เห็นว่าไม่ใช่ไม่มีแก่นสารสิ่งที่ไม่มีสรณะมีแก่นสารเราก็หลงว่ามันมี หลงว่ากายนี่หรื ว, ว่ามีสารณะแกนสารเดี๋ยวเนี่ยะฉะนั้นจึงภาวนาหาที่พึ่งให้กับของได้ศีลดีแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาอะไทีนี้ภาวนามันมีอยู่สองดางมรรคของญาติโยมก็มีทานศีลภาวนามรรคของพระก็ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่นี่ทานศีลภาวนาภาวนามันแบ่งออกเป็นสองอย่าง หนึ่งสมถะ ภ, ภาวานาสองวิปัสนาภาวานาแบ่งออกเป็นสองอย่างนะสมถะ ภ, ภาวานาคือทำจิตให้สงบนั่งอะไรทีเนี่ยคงครูบาอาจารย์หลวงพ่อทุนอาจารย์ทุลคงหรืออาจารย์อยู่ใกล้ในี่คงสอนให้หมดแล้วละ่ะการนั่งสมาธิภาวานาอ่านั่งให้เป็นนั่งการนั่งมันก็มีอยู่นั่งขัดสมาธิ และแล้วก็เอาคำบริกรรมเอาขา ข, าขวาทับขาซ้ายนี่เ่ขัดสมาดซ้อนขัดสมารลาบขัดสมาซ้อนขัดสมาเทศรเลือกเอาคำบริกรรมคำภาวนามาตั้งไว้ฐานใดฐานหนึ่งนั่นสมาธิภาวนาลงไปสำหรับอยู่ที่วัดอาตมานี่แนะนำให้เอาลมหายใจเป็นคำบริกรรมคำภาวนา ลมเข้าไปรู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกออกเข้าก็รู้เอาสติไปจับไว้ฐานใดฐานหนึ่งพอเห็นลมเข้าลมออกลมนี่แหละเอาลมนี่แหละเป็นคำวิธิกรรมคำภาวนาเมื่อเอาสติจับเอาลมนานๆเข้าลมก็จะอ่อนลงเบาลงเบาลงเบาล ง, เ, าลงเรียกว่ากายละห Ộ ดูต่อไปก็ใจก็ละหกจิตก็ละหกเอาเวมาเอาสติจับอยู่งั้นแหละจับเอารมณ์ให้ใจเอาเวมากายก็ระงับจิตก็ระงับพอกายระงับจิตละงับก็จะเห็นพุโทโธปรากฏขึ้นเด่นขึ้นมาจิตของเราก็เยือกเย็นเป็นสมาธิเกิดเป็นพุโทโธขึ้นมานี่แหละพุโทโธมันไม่อยู่ที่ประเทศอินเดียหรอก พุโทโธก็มีอยู่คือผู้รู้เนี่ยอาศัยอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละถ้าเอาสติจับอารมณ์หายใจนานๆเข้าพุโทโธก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็นถ้าเราเห็นพุโทโธเป็นผู้รู้รู้จิตเป็นผู้รู้รู้รอยู่ก็เรียกว่าพุโทโธอืพุทโธถ้าเป็นธรรมชาติว่างครอบจักรวาลอยู่ก็เรียกว่าธรรมโมผู้รู้ว่าพุโทโธธรรมโมก็คือเล่าคือใจทั้งสามอย่างนี่คืออันเดียวกัน พุโทโธธรมโมสังโฆก็หมายเอาใจนั่นแหละเป็นพุโทโธธรมโมสังโฆไม่ได้หมายเอาที่อื่นเวลานั่งก็นั่งหาพุโทโธนี่แหละเดินจงกรมก็เดินหาพุโทโธนี่แหละอดหลับอดตาหลับขับตนอนก็เพื่อจะหาเอาพุโทโธนี่แหละหาให้มันเห็นหามันได้เมื่อเห็นพุโทโธได้พุโทโธแล้วก็เอาพุโทโธยืนลงเอาไว้เป็นสรณะที่เพิ่มถ้าหากเก็บไข้ได้ป่วยมาก็เอาจิตไปอยู่กับพุโทโธ พุโทโธทำโมสังโฆมันตายไม่เป็นตายตั้งแต่ธาตุสี่ขันหานอย่างเงี้ยมันตายตัวพุโทโธทำโมสังโฆตายไม่เป็นแล้วก็เอาจิตไปพึ่งอยู่กับพุโทโธทำโมเขาใจบ้บไปเนี่ยเฮ้ยนี่สาระหน้าที่พึ่งถ้ายังไม่เห็นพุโทโธทำโมสังโฆก็ให้ท่องพุทโธทำโมสังโฆพุทโธทำโมให้เก็บใข้ได้ป่วยห น, หนักขึ้นมานะไม่ให้จิตส่งไปทางนอก ให้บริกรรมพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆอยู่หรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธตัวเดียวก็ก็ได้อันใดอันหนึ่งไม่ให้จิตส่งไปข้างนอกถ้าแตกขั้นดับแล้วจิตของเราสว่างทองใสหากนั้นยังําก็ไปเกิดอยู่ที่สวรรค์นั่นแหละสุกในสวรรค์นี่สุกเหลือหล่นเหนือเมืองมนุษย์ขึ้นไปมากมาย ก, กายกองนะสุกในสวรรค์เป็นปนาฏนหาอยากไปสวรรค์ นี่แหละพุทโธสัมโมสังโฆเมื่อได้พุทโธย็นพุทโธสัมโมสังโฆแล้วก็เอาพุทโธยืนลงไว้วิธีมันจะกำจัดไทยได้จริงก็คือเราเอาใจเอาจิตเรามาอยู่กับพุทโธเมื่อเวลาแล้วเขาด่าเขาด่าก็ไม่ถูกเราละทีนี้พุทโธเนี่ยเป็นธรรมชาติว่างเปล่าเวลาคนด่าจึงไม่ถูกพุทโธ เขาได้ย่าย ด, ด้วยห้าหลันแจงให้เขาได้ด้วย<ม>โอ้ยมันว่าถือพุทธโอดอกให้บักเข้าวางเลยนั่นว่าถือเหล้ า, า, อาดอกว่าอยนะอ่าที่นี่นะไผ่ทั้งหลายก็คือโจนละไผ่นี่แหละอันหนึ่งนะี่แหละขี่กรมุ่นนี่แหล ะ, โ, ละโจนละไผ่มันรักเอาพุทธโอไปป่ะไทยโจนละไผ่โจนละไัะไ่ขี้ยัย ไปไหมก็ไม่ถูกพุโทโธได้ใชนี่ยมันเป็นของประเสริฐของสูงแล้วอนะไปไหมก็ไม่ถูกพุโทโธแล้ ว, น, ว, ลวน้ําท่วมเลยใช่ีหมน้ำท่วมพุโทโธได้บออ่าอากีภัยอุทกกะไผวาตะไยลมพัดก็ไม่ถูกพุโทโธอีกแล้วพัดลุกไปล่มเนี่ยมันว่าถือใจเขาหรอกถ้าทําใจให้เป็นพุโทโธได้แล้วนะอันภัยพวกนี้ยังไม่กลัวดอก มีภัยอันหนึ่งที่เรากลัวที่สุดมันยังเราแยกให้ภัยอีกอย่งที่กลัวที่สุดฮะมีภัยอะไรล่ะที่ฮะเออมอละนะภัยภัยคือความตายถ้าใครเห็นพุโทโธแล้วเห็นผู้ตายไม่เป็นเวลาใกล้จะตายก็เอาจิตหรือเข้าสมาธิเข้าสมาธิให้จิตเป็นพุโทโธจิตจะวางกายทิ้งออกมา เป็นเอกเทศของเขาอยู่นี่แหละที่เราว่าพุทธังธรรมังสังฆังสารานังพัชรานี่ถ้าผู้ใดอยากได้อยากเป็นอยากเห็นก็นั่งสมาธิเอาอ่านั่งสมาธิภาวนาเอานี่แหละได้เห็นพุโทโธแล้วเห็นที่พึ่งอันประเสริฐไปไม่ก็ไม่ถือถูกอ่าไม่ถูกพุโทโธน้ําท่วงก็ไม่ถูกกำจัดภัยได้ไหมล่ะฮะแม่แต่โมลณนะ ภัยภัยคือความตายก็ไม่ถูกพุโทโธถ้าเราจะตายจริงๆก็เอาใจไปอยู่กับพุโทโธเลยนะวันนี้ก็มาพูดเรื่องเล็กๆ น, น, น, น้อยๆตั้งแต่อานิจจาอันิจนจังนเรามาจนถึงสรณะที่พึ่งจนมาถึงพระอริยาบุคคลสี่จำพวกพระโสดาบันสกิธาคามีอนาคามี พระอรหันต์ละสังโยชน์5้านั้นได้นะพูดไปกลัวจะไม่เข้าใจสังโยชน์เรื่องบนมันละเอียดถ้าหากว่ามีอะไรไม่เข้าใจสงสัยมีโอกาสมาอย่างนี้ก็ถามได้เลยถามได้พร้อมที่จะเพราะอันไหนพอตอบได้ก่อนนั่นละตำจัดไทยได้จริงนั่นแหละดังสแสดงมา ก็สมควรแกเวลาเอวังอา๋อาผู้ใดอยากถามนี่ยังก็นให้เวลาเล็กน้อยมีใครอยากถามเรื่องการภาวนาการรักษาศีลภาวนาไหมถ้าไม่เข้าใจอันนั้นอันนี้ก็ถามได้เอาเดอ้อพระอริยะบุคคลขันต้นทั้งหลายไว้ในได้ให้เป็นอริยบุคคลทุกคนทุกท่านนะ เป็นผู้ที่มีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐที่ได้กลับเป็นนันวัดคนเดิมเหมือ น, นวันนันนั่นน้ำาอาจารย์ทุ่นเดิม <c oughs> ฮะอ๋อโยนทั้งผู่เป็นแล้วแม่มผู้เขาส้นกวางคนละหลวงตาสิริ <c oughs> ผู้เขาส้นกวางถ้ำผ้าแดงฐานิมิตเขาส้นกวางนั่นแหละ<ม>เออสิมพ์อันมองหันละไป น้ำมวนคู้บาอาจารย์ไปให้ได้เป็นพระโสดาบันทุกคนทุกท่านเลดีใจหลายได้มาบอกวิธีได้มาบอกวิธีเป็นพระอาริยบุคคลรักษาเอาเนอะเออเออบอกแก้งบอกขาวบ้านี้แหละอย่างให้เป็นพระอาริยบุคคลขั้นตน้นถ้านว่า คนนึ่งไม่ทันแื่กันนี่แหละอันซื้อเลขได้เพล่งตากห็นนะนะโอ้ยอริยะบุคคลบุคคลยังสแสวงหาอบายภูมยิยังสแสวงหาอบา ย, ยามุกอยู่คนเล่นเลขเล่นหวยยังสแสวงหาอบา ย, ยามกอยู่ย่อมไปสู่อบายภูมิพระโสดาบันพระอริยาบุคคลบุคคลพวกเบ ส, สิีไปหาซื่อเลขซื่อหวยยุบอ้กันเลยว่า เจ๊ผ้าบวกเลขบอกหวยก็ว่าได้ว่ามันบุคลบคลผู้ปฏิเสธได้ยากบุคคลผู้ปฏิเสธนี่ต้องยุดมีแต่ของชิปหายทั้งนั้นเรียงเลขเรียงหวยพอไปไกล่มันมันสิผ้าห่อไปโต๊ะอบายจะพุม่มนี่นี่แหละบุคคลผู้ประเสธว่าอะไรไปซื้อเลขซื้อหวยอีกเดีผู้ประเสธมีแต่คนหลงมดงง่ายเอาเงินไปให้เขา ยิบเทียเศร้าเทียกับว่าถือปีละเทียกับว่าถือเอาวะมี่ยิ่งยังนาใบเนาะใบนีก็รแให้พอนะว่ายังไงกรรมมาตัญหากรมมาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิภาะวตัหากรมมาตัญหาก็ตัญหาพวกนี้เกิดมาจากกรม กรารคือกราร ม, มคุณห้านั่นแหละเข้าใจว่าห้าถ้าเรามีความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะอยู่ก็เรียกว่าจิตยังจมอยู่ในกามมะคุณห้าอยู่ภาวานาก็ไม่เกิดเพราะจิตท่องเที่ยวอยู่ในกามอยู่ถ้าพิกจิตออกจากกามมคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงได้จิต ก, ก็จะเป็นรูปปลาพจรจิต ดูปปลาพิจารณคิดคิดที่อ่าดับกรารมาคุ้นหาได้เรียกว่าเอกัดคาตาลมนี่ะพ่อเขาใจพ่บกรารมาคุณนหาคนเกิดมาก็มาติดอยู่ในกรารมาคุณนหา่าลงในกรารมาคุณนห่านี่หลงว่ามีตัวมีตน ม, ม, มีสัตว์พ้นอยู่เอนี่แหลกะการมาคุ้นหานี่เรียกว่ากามกามมาตัญหาเขาใจพ่อให้เนี่ย วัตถุการมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงการภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรอีกสงสัยอะไรอีกไหมไม่สงสัยก็เอา